วันครวันเกิดของหลวงพ่อคาเขียนนะที่เราเคารพนับถือแล้วเนี่ยก็ยังเป็นวันแม่นะสำหรับคนไทยทั้งประเทศเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงแม่ความรักของแม่แล้วก็บุญคุณของแม่อีกครั้งหนึ่งแม่กับลูกนี้นะเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมีแม่นะจึงมีลูกแต่ถ้ามองให้อีกแง่หนึ่งนะมีลูกก่อนนะถึงมีแม่นะ มีลูกก่อนถึงจะมีแม่นะเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยจะได้ช่วยเป็นแม่แล้วก็ต่อเมื่อมีลูกเมื่อเขามีลูกแม่ว่าจะลูกจงอยู่ในท้องเขาก็ได้ชื่วยเป็นแม่ถ้าลูกไม่ยังยังไม่เกิดเขาก็ยังไม่ได้ชื่วยเป็นแม่ น, นั่นมอนงในแง่นี้เนี่ยลูกมาก่อนนะแล้วก็แม่ตามมาทีหลังแต่มันใกล้กันมากแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยนะถ้าปราศจากความรักของแม่นะการที่ลูกจะคลอดออกมาจาก คันของแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้องใช้ความรักความทนุถนอมดูแลแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดด้วยความตั้งใจก็ตามนะแล้วเมื่อลูกคลอดมาแล้วนก็อาศัยความรักของแม่เนี่ยที่ช่วยเลี้ยงดูให้เรา เ, เจริญเติบโตพูดได้ว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะในทางกายหรือทางใจนะ รวมทั้งความสำเร็จในการงานก็ลดแล้วแต่มีความรักของแม่นี่เป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จ ะ, ะมีความระลึกถึงบุญคุณของแม่แล้วก็ตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านรวมทั้งมีความมั่นใจนะในความรักของแม่ด้วยหลายคนเนี่ยถ้าซื่อตรงกับตัวเองก็คงจะยอมรับว่าบางครั้งก็คลางแคงใจในความรักของแม่ เช่นคลางแคลงใจว่าแม่รักเราน้อยกว่าคนอื่นแม่รักรักเราน้อยกว่าพี่หรือน้องนะแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนะเราควรตระหนักว่าแม้เราอาจจะได้ความรักเพียง 90% ของความรักที่แม่มีกับพี่หรือน้องนะแต่ 90% ซหรือแม้แต่ 80% นนั่นก็ตามนี่มันก็มากมาย กว่าความรักที่คนอื่นหรือใครในโลกนี้จะให้กับเราได้ลองมองในแง่นี้บ้างนะว่าไม่มีใครนะในโลกนี้นอกจากแม่หรืออาจจะรวมกับพ่อด้วยนะที่จะรักเราอย่าไปอย่าไปยึดติดนะหรือไปจดจ่ออยู่กับความคิดที่ว่าความรักที่เราได้จากแม่มันแค่แปดสเก ของความรักที่แม่ได้ให้กับพี่หรือน้องแม้มันจะเป็นความจริงนะมันก็ยังมากมายเกินกว่าที่ความรักของคนอื่นจะมอบให้กับเราได้แค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วนะที่เราจะมีความศรัทธามั่นในความรักของแม่หลายคนนะก็มีความฝังใจกับการกระทำบางอย่างของแม่ เห็นว่าท่านโกรธท่านต่อว่าหรือว่าท่านไม่เป็นธรรมกับเราอันนี้ถ้าเราซื่อตรงกับตัวเราเองก็คงจะพบว่ามันมีอารมณ์แบบนี้อยู่บ้างหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกฝังใจแต่ถ้าใครคิดแบบนี้ก็ให้ลองมองอีกแง่หนึ่งว่าคนเรานั้นก็พลั้งเผลอได้คนเราก็ผิดพลาดได้ แต่ความผิดพลาดพลั้งเผลอของแม่นั้นเนี่ยน้อยมากนะเมื่อเทียบกับความดีที่ท่านได้ทํากับเรานท่านได้ทําความดีกับเรานี่เป็นไม่ใช่เป็นพันนะเป็นหมื่นเลยจะเป็นแสนครั้งในชั่วชีวิตของเราแต่ท่านอาจจะเผลออาจจะพลั้งเพียงแค่ครั้งสองครั้งทําไมเราถึงจะไปฝังใจกับไอ้ความผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแล้วก็มองข้าม ความดีที่ท่านได้ทำได้กับเรามากมายนะลองเปลี่ยนมุมมองซะบ้างนะอย่าจดจ้องแต่สิ่งที่ไม่ดีลองมองถึงสิ่งที่ดีที่งดงามนะที่แม่ได้ให้กับเราและเราก็จะมีความรักความมั่นใจนะในความรักของแม่มากขึ้นแล้วก็ลองถามตัวเราเองว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราเป็นแม่หรือขณะที่ที่เราเป็นแม่อยู่แล้วเนี่ยเราได้ทาความดี มากมายเท่ากับแม่หรือไม่เพ้อเพอเราจะพลังพลาดต่อลูกนี่มากกว่าที่แม่มีกับเราสิอนะีนะงั้นถ้าเราถ้าเราตระหนักอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะรักแม่มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ฝังใจกับความผิดพลาดบางอย่างของท่านเมื่อตระหนักเช่นนี้แล้วก็พยายามที่จะทำความดีกับท่านนะครับที่ท่านยังอยู่นะ อย่ารออย่าปล่ยโอกาสเลยผ่านเลยไปหลายคนเนี่ยไม่สนใจนะไม่ให้เวลากับท่านตอนที่ท่านยังอยู่หรือว่ายังมีสุขภาพดีแต่เวลาท่านป่วยหนักใกล้จะตายก็กลับพยายามยื้อชีวิตของท่านมีหลายคนมากทีเดียวนะที่เมื่อแม้ใกลยจะตายแล้วก็แทนที่จะปล่อยท่านตายอย่างเป็นอย่างธรรมชาติอย่างสงบ กับพยายามยื้อท่านทุกอย่างเพื่อท่านมีชีวิตอยู่หรือมีลมหายใจแม้นั่นจะหมายถึงการเพิ่มความทุกข์ทรมานกับท่านเมื่อเราย้อนไปดูก็จะพบว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่แม่ยังมีสุขภาพดีเขาไม่สนใจเขาอาจจะเพลิดเพลินกับความสนุกสนานหรือว่าอาจจะหมกมุ่นกับงานการและคนเหล่านี้ก็มักจะเป็นคนที่แม่รักเป็นพิเศษหรือพ่อรักเป็นพิเศษก็จะส่งเสริมให้ได้ดีได้ดี ไปเรียนต่อเมืองนอกนะหรือว่าเป็นปริญญาได้จบด็อกเตอร์เป็นปริญญาเอกแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับแม่ตอนที่ท่านยังสุขสบายดีอยู่แต่พอท่านจะตายนี่ก็กลับกระตือรือร้นที่จะยื้อชีวิตท่านให้อยู่ได้นานที่สุดทั้งที่ท่านทรมานมากบางทีท่านวิงบอลด้วยสายตาบอกว่าปล่อยฉันไปเถอะนะแต่ว่าลูกไม่ยอมเพราะว่าลูกเนี่ย ต้องการชดเชยความรู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ดูแลท่านตอนที่ท่านสบายดีอยูนะ่อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะทําคุณกับแม่กับกายเป็นการสร้างยัดเยียดความทุกข์ทรมานให้กับท่านดูแลท่านนะครที่ท่านยังมีสุขภาพดีดีกว่าแล้วถึงเวลาที่ท่านจะตายก็จะเต็มใจพร้อมใจให้ท่านไปนอย่างสงบจะไม่ไม่ยือ้อชีวิตของท่านไม่ยืดลมหายใจของท่าน นอกจากการตอบแทนบุญคุณท่านแล้วเนี่ยการเรลืกถึงความดีของแม่นี่ก็สำคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยเป็นพลังให้เราอยากจะทำความดีเพราะเวลาเรานึกถึงความดีของแม่เราจะเห็นถึงเรายนึถึงความเสียสละความอุทิศตนไม่เห็นแก่ตัวเองและความดีอย่างนั้นแหละที่จะดึงเอาความดีในใจของเราเนี่ยออกมาทำความดีกับผู้อื่นเมื่อเราเลึกถึงความดีของแม่ว่าท่านเป็นผู้ให เราก็อยากจะให้คนอื่นบ้างคนที่อยากจะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้นึกถึงความดีของแม่ถ้านึกถึงความดีของแม่เมื่อไหร่ความคิดอยากจะเอาเปรียบอยากจะทำร้ายคนมันก็หายไปมีพี่น้อคนหนึ่งเขาเล่าว่าประมาณตีสามเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็ท่าทางเหมือนเมาแล้วก็ทีแรกก็ขออาหารกินแต่ว่าพอเขาจะทอาหารให้เขาก็ไม่ไม่ยอม นะขอกอดแทนบอกว่าทาให้นึกถึงพี่สาวนะพี่ดีกับผมเหลือเกินนะขอกอดพี่หน่อยเธอก็ให้กอด น, นะแต่ว่าใจหนึ่งก็กลัวพอเขาเผลอเธอก็รีบออกรีบเปิดประตูออกแต่ว่าเขาจับได้เขาคว้าได้ตอนนี้เขากลายเป็นคนละคนเลยนะเขาก็ทำร้ายเธอบีบคอเธอแล้วก็เอามีดเนี่ยปาดคอเธอแต่ว่าปาดไม่แรงนะ ไอ้ตอนนั้นนี่เธอก็นึกว่าจะตายหน้าแล้วช่วงขนาดนั้นเนี่ยนึกถึงแม่นึกถึงพ่อว่าเราเรียนมาก็ปริญญาก็เพิ่งจะจบนะยังไม่ทันได้ตอบแทนยังไม่ได้ทํางานตอบแทนพ่อแม่เลยก็เลยพูดกับผู้ร้ายคนนั้นว่านเนี่ยพี่นะปล่อยหนูไปเถิดนะเพราะว่าหนูเนี่ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยตั้งใจพรุ่งนี้นี่จะไปสมัครงาน พอพูดเท่านี้นี่เขาชงงักเลยนะเขาชงงักเลยแล้วเขาก็ปล่อยมือที่ที่บีบคอเธอแล้วทํางไงต่อไปรู้ั้มอุ้มเธอเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลนนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพาเธอไปส่งโรงพยาบาลนะผู้หญิงท่านก็ดีนะพอถึงโรงพยาบาลเธอก็ให้เงินผู้ชายนั้นไปบอกว่าเอาไปเอาไปเธอนะ แล้วก็กลาจากกันเธอลอดตายได้เพราะว่าพูดถึงคำว่าพ่อแม่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะก็คงจะพอได้ยินคำว่าแม่ได้ยินคาว่าพ่อนี่คงจะเกิดสำนึกผิดขึ้นมาไอความดีมันก็หรือโมโนธรรมมันก็ขึ้นมาทันทีแล้วก็ทำให้ความตั้งใจที่จะฆ่าผู้หญิงคนนั้นก็หมดไปนะกลับมาเป็นผู้เป็นคนเพียงแค่ได้ยินคำว่าพ่อแม่ เพราะนั้นเนี่ยความรักของพ่อแม่มันเป็นพลังที่สามารถจะดึงให้เราเนี่ยทำความดีเมื่อใดก็ตามที่เราจิตใจไฝ่ตามอยากจะทำชั่วลองนึกถึงความดีของแม่ลองนึกถึงความรักของแม่มันก็ทำให้เราอยากจะทำความดีขึ้นมาแล้วก็ละทิ้งความชั่วได้อันนี้วันแมน่ก็เป็นวันที่เราควรจะระลึกถึงแม่ในแง่นี้ด้วย ส่วนแม่เองก็ควรจะรา ล, ลึกถึงลูกเหมือนกันนะวันนี้ไม่ใช่เป็นวันที่แม่ลูกไม่ใช่วันที่ลูกควรจะนึกถึงแม่เท่านั้นแม่ก็ควรจะนึกถึงลูกด้วยว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราดีหรื อ, อยังตอนได้ให้ความรักหรือได้ให้สิ่งที่ดีสุดกับลูกของเราก็หรือยังแต่ก็ต้องระวังนะว่าไอ้สิ่งที่ดีสุดของเราเนี่ยอย่าเป็นการยัดเยียดเพราะบางครั้งเนี่ยแม่สร้างความทุกข์ให้กับลูกโดยไม่รู้ตัวด้วยการยัดเยียดอะไรต่างๆให้ให้ลูก หรือบังคับลูกด้วยความหวังดีของแม่ในความหวังดีนี่มันทำร้ายคนมามากแล้วนะเพราะว่าความยึดติดในความหวังดีของแม่ก็อาจจะไปบังคับลูกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่แม่เห็นว่าดีแต่ไม่ใช่วิธีทางของลูกทางความรักของแม่นี่ก็คือการที่ทำให้ลูกได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าได้ทาสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองรวมทั้งการมีชีวิตที่เป็นของตัวเองด้วย แม่บางคนก็รักลูกมากก็บังคับลูกทุกอย่างแม้กระทั่งเลือกวิชาคณะที่ลูกจะเรียนเลือกอาชีพให้ลูกหาคู่ครองให้ลูกทั้งที่ลูกเขาอยากจะมีวิถีที่แบบอื่นบางคนอยากจะให้ลูกเป็นหมอทั้งที่ลูกนี่อยากจะเรียนดนตรีแล้วก็บังคับลูกลูกก็ทุกเกิดความขัดแย้งกันอันนี้ก็ต้องมาไต่ตองว่าเราทําเพื่อลูกหรือเราทําเพื่อตัวเราเอง บางครั้งความหวังดีของแม่นี่มันเครือบแฝงความปรารถนาจะให้ลูกทำตามความฝันของตัวไม่ใช่ทำตามความฝันของลูกนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามีลูกหลายคนมีความทุกข์มากจากการที่แม่หวังดีกับเขาแต่ว่าบังคับจนทังเขานี่ไม่มีสละเราลองเลือกดูนะใหญ่จะให้ลูกเราเป็นไม้ดัด ไม้บอลสาหรืออยากจะให้ลูกเราโตเหมือนต้นไม้ธรรมชาติที่แผ่กิ่งก้านได้อิสระเสรีถ้าเราอยากจะให้ลูกเราเป็นไม้ดัดนะอ่าก็ต้องบังคับให้ลูกเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการให้ลูกเติบโตอย่างอิสระเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ล่มงานกับผู้คนได้ก็ต้องให้อิสระกับเขาด้วยนะในงั้นเนี่ยถ้าเราไปบังคับเขาต่อไปเขาก็จะเป็นแค่หุ่นยนต์กลไก หรือหนักกว่านั้นคือเป็นจอกเป็นแหนที่คอยลอยไปตามกระแสน้ำแต่ว่าไม่มีอิสระของตัวเองอันนี้ก็เป็นวันที่แม่ก็ควรจะระลึกตรงนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มอบสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกไม่ใช่แค่ความรักนะแต่ว่าชีวิตอิสระที่เขาสามารถจะเลือกเส้นทางของเขาเองที่เป็นสัมมาชีวะที่เป็นเส้นทางแห่งธรรมะได้อาแล้วก็เตรียมรับพร